อ่านสาวทุกคนพัฒนบริษัททั้งหลายตนหลับเวลานี้เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพัฒนบริษัทจะแค่าพักผ่อนนอนสบายหมายความว่าเป็นเวลาถุกเพลินานควรแต่ก่อนบรรดาท่านพัฒนบริษัทจะหลับก็ขอเตือนใจบรรดาท่านพัฒนบริษัทเรี <c oughs> ยกว่าตามกติกาของศาสนา ทนบอกว่าถ้าจะานอนก็อย่านอนเปล่าท่านกำลังใจให้มันเป็นประโยชน์ไปด้วยน่าก็หมายความว่าคนใช้จิตคึกขึ้นท่ากรรมฐานที่เราปฏิบัติก็รมฐานที่ปฏิบัติมันแล้วไม่ได้มโนยุทธิเข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไม่ทิ้งเสียก็ยังขอดีหายากมโนยุทธิก็ดีวิชาสองวิชาสามก็ดี จงกรรมพร้อมด้วยทรเจ้าให้พระพุทธตัดความสงสัยที่พระองค์ทรงสอนที่พระองค์ทรงตัดว่าตายแล้วมีสภาพยังไม่สูญถ้าเราทำความดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างไปนิพพานบ้างถ้าทำความชั่วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างแป็นสัตว์กายบ้างเป็นสถติฐานบ้าง เสด็จถึงกันชั่วส่งผลมาถึงคนก็ยังเป็นคนที่มีความลำบากยากแค้นอันนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัทและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายครูบาอาจารย์แนะนํามาแล้วหวังว่าคงทรงทรงอารมณ์ไม่อยู่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งยานแปดที่บรรดาท่านพุทธบริษัทึกได้คือทิพย์านเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ท่คือนรกสวรรค์คือวดาฤกษลมซึ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงที่พระพุทธเจ้าทรงจัดเราก็รับทราบได้แล้วเจตุปะปารยานเป็นเหตุให้ทราบถึงการเกิดและการตายของสัตว์เห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้ชื่อสัตว์ได้สามารถจะทราบได้ ท, ทันทีว่าท่านผู้นี้ก่อนจะเกิดมาจากไหน ทะเลือคนไม่สัตว์ตายแล้วก็ทราบได้ทันทีเหม่กันถ้าทําให้คล่องว่าคนไม่สัตวพวกนี้ที่ตายแล้วไปไหน <c oughs> แล้วก็ปุพยมิวายสายมุสติยานจะทราบความผลข้างความชั่วของเราแล้วเคยไปเกิดในอบายภูมิมาแล้วกี่วาระที่ไหนบ้างผลขึ้นความดีของเราเคยส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเป็นคนชั้นดีมาแล้วกี่วาระที่ไหนเป็นอะไรบ้าง เจตวิทยานเป็นปันใจจัยให้รู้ใจของคนว่าคนที่สัมผัสกับเราเขาเป็นคนดีหรือคนเลวกําลังใจดีหรือกําลังใจเลวดีไม่ดีภายนอกสุขใสแต่ข้างในแสนเลวแสนเลวอย่างนี้ก็มีเยอะบางท่านข้างนอกครุกคะแต่ขา้างในดีแสนดีอย่างนี้ก็มีมาก <c oughs> ที่โบราณมันบอกว่าข้างนอกคุกคกระข้างในปะนัหนอง ข้างนอกสงสัยข้างในเป็นโพลเราเห็นว่าคนบางพวกมีสติคล้ายคๆ ส, ส, สมเด็จพสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าคนบางเหล่าก็ยังเข้าใจว่าเขาดียอมรับนับถือแต่ก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าสนใจสําหรับอติตังสัญญานุเหตการณในอดีตอนาคตตังสัญญานุเหตุการณในอนาคต ปัจจุบนนองสัญญาณเหตการในปัจจุบันยะถากรรมตายานรู้ผลของความดีและความชั่วผลของความสุขและความทุกข์ยานทั้งแปดรายการนี้ของบรรดาทรามพุทธบริษัทฝึกให้คล่องใช้ให้เสมอถ้าสงสัยว่าจะใช้อะไรไดีบ้างให้ดูในอธิบายอุทุมบริการสูตร <c oughs> จิตใจของเราจะมีความสุขึไม่ว่าเราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่เราก็มีความสบายใจ สำหรับแต่นี้ไปก็เอาคำบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ยึดอุทุมบริการสูตรเป็นสําคัญที่องค์สําเร็จพระนิจรรมานทรงยืนยันกับมิโคทัปริพาชกว่าเราสอนลูกศิษย์ของเราอย่างนี้ลูกศิษย์ของเราได้รับมรรคผลและยินและก็ยืนยันมรรคผลที่ตนได้แล้วถ้อยคำใดที่องค์สมเร็จพระบัณฑิตแก้วทรงตัดว่าเป็นอุปกิเลต คำเล่าปากิเลส์เนี่ยคือจิตเข้าไปหาความชั่วไปคบกับความชั่วจงอย่าปฏิบัติโดยขาดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง <c oughs> พยายามผลักดันปากิเลสให้พ้นไปจากจิต แ, แต่มาดิองค์สมุลิตปธรรมมสาไม่ทรงจับว่าความดีอันดับนี้เป็นสะเก็ดความดีที่เราสอนความดีอันดับนี้เป็นความเป็นเปลือกความดีที่เราสอน ความดีอันดับนี้เป็นกระพี้ความดีที่เราสอนแล้วก็ความดีอันดับนี้เป็นกั่นความดีที่เราสอนทั้งสกเก็ดคนดีเปลือกคนดีกระพี้คดีกั่นคนดีก็บรร ด, ด, ดาท่านพุทธบริษัทจงปฏิบัติตามนั้นถ้าปฏิบัติไรแล้ ว, ลวจนจะคิดว่าจบอย่างยังเป็นฌานโลค <c oughs> ีอยู่เสําหรับกสเก็ด มีมากข้อเดีวยวกันจะไม่ข อ, อนํามากล่าวแต่ทุกท่านต้องระมัดระวังอย่าให้จิตใจเลวไปตามนั้นถ้าเลวไปกว่านั้นก็ถือว่าไม่ถึงสะเก็ด ต, ต้องรักษาอารมณ์เพลสะเก็ไว้ให้ดีสําหรับข้อที่ว่าเป็นเปลือกสมมติเป็นศีรีตัดอย่างนี้คือว่าแต่ก็ขอเอามาใช้ให้ตรงกับสมัยปัจจุบันนั่นก็คือเราต้องมีสินห้ากับกรรมบดสิบครบพุน่น ชิ้นากันบนดสิ บ, บวกกันมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ไม่ทรมานคนข้อดีสองไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นสมบัติของตนข้อดีสมไม่ยื้แย่งความรักของบุคคลอื่นข้อดีสไม่ดื่มสุรามีไรข้อดีหไม่พูด ปดคือไม่พูดคําวาจาที่ไม่จริงแต่ถึงแม้ว่าจะพูดวาจาจริงก็ต้องดูโอกาสโอกาสไหนคนพูดโอกาสไหนไม่คนพูดข้อที่ข้อต่อไปก็ใช่วาจาจะไม่ใช่วาจาหยาบคายจะใช้แต่วาจาที่อ่อนหวานาไพเราะเป็นที่น่าฟัง แล้วก็จะไม่ใช่วาจาส่อเสียดยุโ ย, ยงส่งเสริมให้เขาแตกคร้าวกันจะไม่ทำลายประโยชน์ของใครแล้วก็ข้อต่อไปจะใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์จริงๆไมยความว่าวาจาใดาที่ร้ายประโยชน์เราจะไม่พูดเสียเวลาเปล่าทำให้คนอื่นเขาลำคาญสำหรับด้านจิตใจเขามันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย จงอย่าเพ่งเล็งโลกนั่นก็หมายความว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพุโลกก็ดีไม่เป็นที่ปรารถนาสาหรับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโลกทั้งสามประ ก, การนี้ไม่เป็นทางดับทุกข์ไม่มีทางหมดทุกข์เราเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ความทุกข์เราเกิดเป็นเทวินดาและพพมก็หยุดทุ ก, ท ก, ทกข์ชั่วคราว นี่กนหมายความว่ามันไม่หมดทุกจริงเวลาเป็นเทวดาแล้ผมมีสุขแต่ว่า พ, พ, พระพดปุญวสนาบา ร, รมีก็ต้องมาสวยทุกกันใหม่เราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการจริงๆคือนิพพาน <c oughs> ข้อสุดท้ายองค์สาเร็จประจอมไตรบอว่าทำความเห็นให้ถูก <c oughs> การทําความเหน็นว่าถูกก็หมายความว่าจิตของเราจะต้องทรงพลบาลมีสิประการครบถ้วนหนึ่งทานนบัลลังกดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานการคิดว่าจะให้ทานจป็นจาคานุสติกรรมฐานสรงใจด้วยวิชาลสองฉินนบัลลังก์ควบคุมสิ่งให้บริสุทธิ์จัดเป็นเสียเป็นการทรงฌานในศีรานุสติกรรมฐาน สามเนตขมะบ ร, รมีการเที่ยวบทพยามระงัมิวรห้าปฏิการอย่าให้โกรใจสี่ปัญญาบรมมีราศัยกำลังใจด้านด้านด้านด้านด้าน้านด้านาด้านด้านด้านด้านด้นทานดาา้ า, า, านด้านด้ากดานด้นด า, ม า, านม้สาสนด้านดานด้านดานานด้านด้านด้นด้านดานานานด้านด้านดานด้านด้านดานด้านด้านนดาานด้านดาด้าามดลานวา้วานด้า้ แล้ะก็วิริยะบารมีมีความเพียรเพราะว่าอุปสรรคย่อมมีกับการปฏิบัติจิตคบกับความชั่วยอยู่เสมอและต้องต่อสู้ไม่ท้อถอยขันตุบารมีการต้านทานมีขึ้นกําลังใจอาจจะท้อถอยและต้องมีกําลังใจเข้มข้ น, นไม่ยอมแพ้แต่อุปกริเลขึ้นกิเลทั้งหมดกิเลคือความชัว่วเราจะไม่ยอมแพ้เราจะทรงตัว หมายความจะมีความลาบากยากแค้นเพียงไรก็ตามต้องอดทนต่อสู้เสมอสัจจะวรมีเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทําความดีก็ต้องทําตามที่คิดไว้ในดั่งแต่ดั้งเดิมไม่ยอมทอถอยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอธิษฐานวรมีตั้งใจไว้ยังไงทรงอารมณ์อย่างนั้นอย่างสำเร็จพระพกกวันตั้งใจจะบรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธียาน มีความยากลาบากเพีงใดก็ตามที่เวลาเสียสงไข่รับแสงกับองค์สมเด็จพระทร์สวัสดิโสภาคไม่เคยเข้าถอ ย, ถอยชาติสุดท้ายองค์สมเด็จพระพูมีพระพ่อเจา้าต้องปรมาณกายทั้งหกปีสมเด็จพระจีนศรีก็ยอมไม่เสียดายแม้แต่ชีวิตและเลือดเนื้อเราต้องคิดตามนั้นตั้งใจตามนั้นเมตตาบารมีจิตนังไม่มีความชุ่มชืนคิดว่าคนและสัตว์ทั้งโลกเป็นมิตรีดีสําหรับเรา เราจะไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีเวมีภัยกับใครอกเบี้าบะรมีวางเฉยไว้ในลมที่ไม่ชอบใจ <c oughs> อาการใดที่ไม่ชอบใจแสดงอาการไม่ขึ้นลงอาการใดที่ชอบใจก็วางเฉยทําปกติอย่าฟูกเกินไปอย่างนี้ถือว่าท่านหลายยังไม่เข้าถึงเปิืกแน่นอน ต่อไปองค์สัเฤ็จพระชินวรทรงแนะนําให้ระ ง, งับมีวรห้าปฏิการอย่าให้กวนใจเวลาที่เราทําความดีได้จะเวลาที่จะเริญสมาธิหรือพิบัตสนาญาณนี่ก็หมายความว่ามีวนห้าประการคือหนึ่งความพอใจะระหว่างเพศกงกันข้ามที่เรียกว่าการมาชันทะขณะที่ทําสมาธิจิต ก, ก, ก่อนจะหลับอย่าคิดถึงเรื่องนี้ วางใจเฉยไว้ก่อนชั่วคราวถ้าเรายังละไม่ได้สองความไม่พอใจ่กรที่จะหลับตัวให้เกิดขึ้นทำใจใผ่องใสด้วยเมตตาบารมีไม่ก็สามจิตท่ทาจะอ่อนโยนไม่ฉาดศสยาคขยยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีแล้วคิดถึงความดีเขาบุคคลคนใดปล่อยดีใจกับบุคคลคนนั้น แล้วก็พยายามขึ้นว่าเราจะทําความดีตามไม่ใช่แข่งกันทําความดีตามเขาไม่เลยขาวางเฉยไว้ถ้าอะไรที่ไม่ชอบใจก็เฉยอย่าโต้ตอบถ้าไม่มีความจําเป็นแต่ว่เรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าคณนาค า, ามี <c oughs> ก็ตอนน้องมีอารมณ์อยู่บ้างถ้าไม่ได้โต้ตอบก็โตตอบด้เหตุผลยามอดกั้นให้มากที่สุดเฉยให้มากที่สุดบุคคลใดเพื่งพร่เราจะไม่ซ้าเติม <c oughs> ถ้ากำลังใจเขามัรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ถึงขนาดนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบริมสุคตทรงตรัสว่าทุกท่านเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนจะในการปฏิบัติตามคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขามันดาท่านพุทธบริษัทเนหลายจงอย่าเดาเพราะราักฐานการยืนยันพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอยู่ พย า, ายามรักษากำลังใจตามนี้ทุกคนก่อนหลับตามที่พูดไปแล้วแล้วก็ต่อไปกำลังใจที่มีความสำคัญที่บารมีทั้งสิบประการจะสนับสนุนให้มีผลก็คือว่ากาลังใจของพระอริยเจ้าสําหลักกำลังใจของพะอรงองพะอริยเจ้านี้เราจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่เป็นนั้นไม่สำคัญ จงอย่าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอาเรณ์เจา้ามันจะเถือไปแล้วกำลังเคร่องชานโล ก, กีบางทีก็ระงับกิเลสเป็นเหตุให้คิดว่าเราเป็นพระอาเรณ์เจ้าเซะแล้วถ้าพลาดครั้งไปจะมีกรรมหนักมันจะพลาดากความดีในสมัยพระองค์สมเด็จพระจินศรีทรงรเยมอยู่ก็มีพระคิดพลาด ท่านทรงชาญโล ก, กีจะมีความเข้าใจว่าคิดว่าเป็นพาระอรหันต์ก็พูดไปตามนั้นต่อมาชาญลดลงกิเลสโูขึ้นก็เกิดสงสัยเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจอมใจว่าอย่างนี้จะเป็นอันบัติประราชิกไหมยก็บอกเขาว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพาระอรหันต์พระพระเจ้าทรงกรัสว่าเจตนาไม่มีย่อมไม่เป็น มันดาท่านพุทธบหายัทก็เช่นเดียวกันเวลาจิตมันสงบสงัดจงอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้ายัางไงยังไงถือว่าเราเดินตามรอยของท่านเท่านั้นพออารมณ์พระอริยเจ้าเบ่งตึงคือปโสดาบันอันนี้ต้องทรงกําลังใจของมรนดาท่านพุทธบริษัตให้ทรงตัว อารมณ์ของเราสวร่วนดาบั น, นี่มันเป็นของไม่ยากและจะสร้างความดีให้กับรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นหมายความว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไม้พบกับไบยภูมิอีกคือจะมีสวรรค์และมีพุทธโลกมีพุทธานเป็นที่ไปการลงต่ำไปถึงไบยภูมิสี่คือเป็นสัตวนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์ดิบฉานไม่มี อารมณ์แรกก็คือสกาญทติฐิที่สองอริจกิจชาที่สามสิรปตะรามา m a สําหรับปนโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยจะมีศีลบริสุทธิ์สําหรับสกาญาติทิที่ท่านแปลบอกว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เ ร, ไรามไม่มีร่างกันมีไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอ น, นี่แต่ลมเขาผ้ารหันสนับไปสวนดาบันจะมีความรู้สึกไม่เท่านั้นไปสวนดาบันมีความรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่จะมีความรักในร่างกายเขาตนเอง แล้วก็ยังมีความรักในร่างกายของบุคคเองตัวอย่างก็คือท่านมีสาขามหาอุบาสิกาท่านเป็นบัณฑาบันมาตั้งแต่อายุเจ็ดปีพอถึงอายุสิบหกปีท่านก็แต่งงานและท่านก็มีบุตรมีลูกหญิงลูกชายรวมแล้วยี่สิบคน ยิ่งถ้าหากว่าถ้าอารมณ์ของท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ช่วเราไม่รักในร่างกายเราไม่รักในร่างกายเขาท่านก็ไม่แต่งงานข้อนี้ที่พูดไว้เพื่อกันความสงสัยเขาบรรดาท่านผุทบริษัทฉะนั้นอารมณ์เขาไม่โสนดาบันมีความรู้สึกในร่างกายแตบเพียงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายไยกว่าที่มีปัญญาไม่สูง ในเมือ่อตายเราก็ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดว่าการตายคราวนี้เราจะไม่ยอมไปอบายะูมก็จึงได้วยวึดคุณพระธรรไตราทางสามรายการคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่เพ้อแครงสงสัยข้อนี้ต้องใช้ปัญญา <c oughs> ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความดีของพระพุทธเจ้าดีพอที่เราคทจะรับนับถือไหม ความดีของพระธรรมและความดีของพระ อ, อริยสงฆ์ดีพอที่เราคนจะยอมรับรับถือไหมถ้าไม่ใช้ปัญญาก่อนเชื่อเฉยเฉที่จะคลายตัวจะไม่เห็นว่าดีแล้วแล้วก็ไม่สงสัยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ อ, อ, อริยสงฆ์เป็นีผึ่งยอมรับรับถือปฏิบัติตามคําสอนของท่านแต่ว่าจงอย่าปฏิบัติออกนอกลูกนอกทาง จะไปคิดว่านรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีเทวดาและผมไม่มีนิพพานศูนย์อันนี้นอกโลกนอกทางแน่า <c oughs> คําำนิพพานศูนย์แล้วไม่ศูนย์บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติมโนวิธีได้เข้าใจแล้วแล้วเทวดาและาาผมมีหรือไม่มีเราเข้าใจแล้วเราพบกันแล้วฉะนั้นคำสั่งสอนข อ, องสมเด็จพระบรทิพย์แก้วไม่มีอะไรที่เราจะสงสัย ให้ข้าดูสามอก็โสดาบันก็คือท่งสินห้าบริสุทธิ์แต่ว่าต้องท่งทั้งสินห้าและกำหนดสิบด้วยแค่ศินห้าอย่างเดียวยังดีไม่พอเพราะว่ายังหยาบอยูาอยา ม, มากดีไม่ดีจะให้วาจาประทะคารมหยาบๆกับคนอื่นจะไปสร้างความสะเทือนใจทุกอย่างเราทาความสุขเพื่อเราถ้าไม่เรามีความสุข เราไม่ฆ่าเขาเราไม่ทำลายเขาเราก็เป็นมิตร ด, ดีเขาก็เป็นมิตรดีสเรับเราเราไม่ลักไมก่ขโมยใครก็เป็นเราก็เป็นคนที่เขาไว้วางใจ <c oughs> มีแต่นคนรักไม่มีคนเกลียดด่าไม่เย้แย่งความรักเขาเมื่อคนอื่นก็เป็นที่รักเขาเมื่คนทั่วไปเราไม่ดุสุราเมรัยไม่ทำลายศักดิ์ศรีย่อมมีความดีในสังคมทุกชน ไปที่ไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือถ้าเราพูดแต่ความสัต์จริงไม่ว่าชายหรือหญิงเขาก็ชอบเราพูดวาจาอ่อนหวานสังคมไหนก็ต้องการเราเราไม่ใช่วาจาส่อเสียดไม่ทำให้เขาแตกกันใช้วาจาจะเป็นประโยชน์สร้างความสามาคัคคีความเบื่อนี้จะเป็นที่รั ก, กนหนักใจเขาคนทั่วไปวาจาใดที่ไรประโยชน์เราไม่พูดพูดแต่วาจาที่เปนิเป็นประโยชน์ จะเป็นที่ยอมรับนับถืถบอทั้งบุคคลยังหลายผู้รับฟังนั่นก็ถ้าจิตใจเราไม่ติดนเ น, นีมนุษย์เโลกเทวโลกเราพรมโลกจิตมุ่งในผ่านจิตก็มีความละเอียดมุ่งความดีเอียาใดวาจาใดที่เป็นความชัว่วอารมณ์จิตก็ดีกายวาจาก็ดีก็จะไม่ทําตามนั้นจะรักษากํ า, ล, ากลังใจไว้เฉพาะแต่ความดี ถ้าจิตของเราไม่คิด ป, ร, ประพุ่งสร้อยบุคคลใดมีความเมตตาปราณีทรงพระมิหารสีเป็นปกติอย่างนี้ไปไหนก็จะเป็นพิรักของบุคคลทั่วไปถ้ากําลังใจของเรามีความเห็นทุกเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนทุกคนสัตว์ทุกเพศเต็มบริความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขจริงการได้กรอบสมาชีวะอาชีพต่างๆก็ทุกข์ เ, เหนื่อยยาก ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข่ไม่สบายก็ทุกข์ความกระทบกระทั่งการงณ์ที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์การพัดพลาดของรักจากของรักของชอบใจก็ทุกข์แล้ก็คิดว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดต่อไปมันก็ทุกข์อย่างนี้ถ้าจะไปบป็นชวันดาหรืผมใช้กําลังเข้าปกปืนิวาสานุสติยานดู ว่าการเป็นเทวดาแล้วผมเราเคยเป็นมาแล้วหรือบ้างอย่างไรหรือเปล่าก็่าพบว่าคนที่มีความดีในตั้งใจปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนา <c oughs> ทุกคนทุกคนต่างเค ย, เคยมีความดีเป็นเทวดาแล้วผมกัมาแล้วนับชาติไม่ทนแต่เราก็ไม่ทรงตัวอยู่ที่นั่นเราก็ไม่ต้องการมันอีกจิตใจเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพาน แล้วพนิพพานเขาทำยังไงอันดับแรกพยายามทรงอารมณ์ตัดความสังโดยสามรการเบื้องต้นให้ได้แบบเบาๆทำแบบส บ, สบายๆเดินก้าวไปตามพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันตามท่านไปหนึ่งชีวิตนี้ต้องตายคิดไว้เสมอสองถ้าตายแล้วไม่ยอมไปอบายภูมิ <c oughs> อยอมรับนัดถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านสอนยังไงจะปฏิบัติตามนั้นฉัน <c oughs> บอกว่าสิ่งไหนไม่ดีสิ่งนั้นเราไม่ทําสิ่งไหนดีสิ่งนั้นเราทําปฏิบัติตามท่านไม่ไม่ไม่สงสัยแล้วบริการดูสามสินกับกรรมาบทสิบริการเบื้องต้นเราต้องทําให้ครบถ้วนเพื่อความสุขของเรา นั่นน่าจะนั้นกําลังใจของเรามีจุดต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานควบคุมกําลังใจไว้ว่านหนึ่งโลภะความโลภการได้เกี่ยวกายเน่าริดเน่าทางอยากได้ทรัพย์สมบัาเข้ามาคนอื่นมาเป็นของตนต้องไม่มีสําหรับเราโดยการที่สองความโกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์ความวาร้อนลดยามลดด้วยกําลังของปร ม, มิหารสี่ โดยการนิสสาวโมหะความหลงจิตที่มันมีคิดว่ามนุสสนโลกที่ว่าโลกพุทธโลกเป็นของดีจะไม่มีสําหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอรบบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดมาก็นานพอสมควรเขาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงไข่ควรตามกระแสพระธรรมมัทินาเขาองค์สมเด็จพระเสมะทพุยธเจ้าและการฟังอย่างนี้อาจจะเดือดไปนิดหนึ่ง ถ้าไม่เอินฟังฟังไปมันจะหลับก็ปล่อยให้หลับเลยไปก็แล้วกันถ้านี้พ่อใดว่าถ้าหากว่าฟังธทำแล้วหลับหยอยู่ในรมท่านถือว่าเป็นการทรงทำนั้นเป็นฌานตลอดจนกว่าจะตืน่นตอนนีไปก็ขอยุติไวัตรพิณนี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมเด็จพุนผลคำใดดิองคงสมุดประทศพลลรวมศาสดญญาสัมมาพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นของดี <c oughs> ขอธรรมบัญดาธรรมพุทธไวยสัตว์ทั้งหมดนี้เจงรู้ธรมนั้นในชาติติบันโดยฉับพันเถิดสวัสดี